นิพิธานุปาานัสนาญาณเมื่อโยคีนั้นเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นโทษอยู่อย่างนี้ก็เบื่อหน่ายเอื้อมระอาไม่อภิรมในสังขารอันมีการแตกดับซึ่งดำเนินอยู่ในภพสามกำเนิดสี่ติห้าวิญญาณทิ่ฐิเจ็ดสัตตาวาสเก้าทั่วทุกหนทุกแห่ง เปรียบเหมือนพญาหงทองผู้อภิรมยินดีอยู่หน้าเชิงภูเขาจิตตะพูดไม่อภิรมยินดีในบ่อน้ําสกปรกใกล้ประตูบ้านคนจันทานอภิรมยินดีอยู่แต่ในสระใหญ่ทั้งเจ็ดในป่าหิมะผ่านเท่านั้นชื่อแม้ฉันใดพญาหงคือโยคีแม้นี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่อภิรม์ยินดีในสังขารซึ่งมีแต่การแตกดับมีโทษร้าย ซึ่งตนได้กําหนดเห็นมาอย่างดีแล้วแต่เทว่ายินดีอยู่ในอนุปัสนาทั้งหลายเจ็ดเท่านั้นอนุปัสนาเจ็ดคืออนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตานุปัสนานิพพานุปัสนาวิราคานุปัสนานิโรธานุปัสนาและปฏินิสัคานุปัสนา เพราะเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยความเป็นผู้มีภาวนาเป็นที่ยินดีและด้วยความยินดีในภาวนาอนหนึ่งเปรียบเหมือนสีหเมรุราชที่ถูกเขาขังไว้แม้ในกรงทองก็ไม่อภิรมยินดีแต่เทว่ายินดีพอใจอยู่แต่ในป่าหิมพัน์กว้างสามพันโยธเท่านั้นฉันใดสีหเมรุราชคือโยคีนี้ก็ฉันนั้น ไม่อภิรมยินดีแม้ในสุขติพบทั้งสามอย่างแต่ท้าว่ายินดีอยู่แต่ในอนุปัสนาสามเท่านั้นอนุปัสนาสามคืออนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาและอนัตตานุปัสนาอันหนึ่งเปรียบเหมือนพญาช้างฉัดทันเผือกทั่วสันพางมีอ ว, วัยวะเจ็ดจรด ถ, ถึงพื้นมีฤทธ์เหาะไปได้ในเวหา ก็ไม่อภิรมยินดีอยู่ในถ้ำกลางพระนครอภิรมยินดีอยู่แต่ในป่าชัดริมสะฉัดทันในป่าหิมพผ่านเท่านั้นฉันใดพญาช้างตัวประเสริฐคือโยคีผู้นี้ก็ฉันนั้นไม่อภิรมยินดีในสังขารแม้ทั้งปวงอภิรมยินดีอยู่แต่ในพระนิพพานอันเป็นสันติบทที่ตนเห็นแล้วโดยในยะเป็นต้นว่าความไม่เกิดขึ้นเป็นแดนเกษม เป็นผู้มีใจน้อมไปในพระนิพพานนั้นโน้มไปในพระนิพพานนั้นโอนเอียงไปในพระนิพพานอันเป็นสันติบทนั้นด้วยประการชนี้อนหนึ่งนิพพิทายา น, นี้นั้นโดยความหมายก็เป็นญาณเดียวกันกับสองญาณข้างต้นคือพยาตุปปทานญาณและอาทีนวญาณเพราะเหตุนั้น ท่านพระบุราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าพญตุปปฐานในยานเดียวนั่นแหลได้ชื่อสามชื่อคือชื่อว่าพยาตุปปฐานเพราะเห็นสังขารทั้งปวงด้วยความน่ากลัวหนึ่งชื่อว่าอาทีวานุปัสนาเพราะให้เกิดความเห็นโทษร้ายขึ้นในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นนั่นเองหนึ่งชื่อว่านิพพานุปัสนา เพราะเกิดเบื่อหน่ายขึ้นแล้วในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหลหนึ่งแม้ในพระบาลีท่านก็กล่าวไว้ว่าปัญญาใดในพยาตุปทานหนึ่งญาณใดในอาทีนวะหนึ่งนิพิธาใดหนึ่งธรรมะทั้งหลายเหล่านี้มีความหมายอย่างเดียวกันพยัญชนะเท่านั้นที่ต่างกันจบ นิพพิทานุปัสนาญาณมุญจิตุ ก, กรรมยตาญาณแต่เมื่อกุลบุตรผู้นี้เบื่อนายอยู่เอื่มระอาอยู่ไม่อภิรมยินดีอยู่ด้วยนิพพิทายานี้จิตก็ไม่ค้องไม่เกาะไม่ติดอยู่ในสังขารทั้งหลายซึ่งมีความแตกดับ ที่ดำเนินไปอยู่ในภพสามกําเนิดอสี่ติห้าวิญญาณอาทิติ7เจ็ดและสัตว์วาดเก้าทุกผนทุกแห่งแม้แต่สังขารเดียวเป็นจิต ท, ที่ใกล้จะพ้นไปปรารถนาจะออกไปเสียจากสังขารทั้งปวงถามว่าเปรียบเหมือนอะไรตอบว่าเปรียบเหมือนสัตว์และบุคคลเป็นต้นว่าอย่างนี้คือ เปรียบเหมือนปลาติดอยู่ภายในอวนหรือแหากบอยู่ในปากงูไก่ป่าถูกขังไว้ในกรงเนื้ออยู่ในบ่วงบาดอันเหนียวแน่นงูอยู่ในเงื้อมือของหมองูช้างกุญชรติดอยู่ในหล่มลึกพญานาคอยู่ในปากครุดพระจันทร์เข้าไปในปากราหูบุรุษถูกศัตรูล้อมไว เป็นผู้มีความปรารถนาจะพ้นไปมีความมุ่งมั่นจะออกไปเสียจากที่นั้นที่นั้นชื่อฉันใดจิตของโยคีผู้นั้นก็ฉันนั้นเป็นจิตปรารถนาจะพ้นไปประสงค์จะออกไปเสียจากสังขารทั้งปวงท่านใดนั้นรั้นโยคีท่านนั้นผู้ประสจากความอาลัยในสังขารทั้งปวงแล้วผู้ปรารถนาจะพ้นไปจากสังขารทั้งปวงอยู่อย่างนี้ มุลจิตุกรรมยตายานก็เกิดขึ้นด้วยประการชนีจบมุญจิตุกรรมยตายานปฏิสังคานุปัสนาญาณโยคีผู้นั้นเป็นผู้มีความปรารถนาเพื่อจะพ้นไปเสียจากสังขารทั้งหลาย ซึ่งมีแต่ความแตกดับอันดำเนินไปอยู่ในภพในกำเนิดในกติในทิติและในนิวาดทุกหนทุกแห่งดังกล่าวนั้นจึงยกเอาสังขารทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละขึ้นสู่พระไตรลักษณ์แล้วกำหนดรู้ด้วยปฏิสังขานุปัสนาญาณต่อไปอีกเพื่อพ้นไปเสี็จจากสังขารทั้งปวงโยคีนั้นก็เห็นอยู่ซึ่งสังขารทั้งปวงว่าไม่เทียง ด้วยเหตุทั้งหลายเป็นต้นว่าอนัจันติกะโตโดยไม่เป็นไปเลยที่สุดตาวากาลิกะโตโดยเป็นไปชั่วคราวอุปปาทวยะปริจินนโตโดยกำหนดได้ด้วยความเกิดและความดับปโลกะโตโดยแตกทำลายคณิกะโตโดยเป็นไปชั่วขณะจัลโตโดยความวันไหว ปพพังคู่โตโดยผุพังอัุวะโตโดยไม่ยั่งยืนวิปริณามธรรมโตโดยมีความแปรผันอยู่เป็นธรรมดาอัารกะโตโดยไม่มีสาระวิภาวะโตโดยปราศจากความเจริญสังคตโตโดยเป็นของถูกปรุงแต่งขึ้นไวมรณธรรมโต โดยมีความตายเป็นธรรมดาเห็นอยู่ซึ่งสังขารทั้งปวงว่าเป็นทุกข์ด้วยเหตุทั้งหลายเช่นเป็นต้นว่าอภินหะปฏิปิลานะโตโดยเบียดเบียนเฉพาะหน้าอยู่หนึ่งเนืองทุกขามะโตโดยทนได้ยากทุกขาวัตถุโตโดยเป็นที่ตั้งของทุกข์ โรคัตโตโดยเป็นโรคขันทัตโตโดยเป็นแผลฝีสันลัตโตโดยเป็นลูกซรอเสียบอคัตโตโดยความชั่วร้ายอพาทัตโตโดยความป่วยไข้อีติโตโดยความหายนะอุปัทวโตโดยเป็นอุปัทวะพยโตโดยเป็นภัยอุปสักคโตโดยเป็นอุปสัก อาตาณโตโดยไม่เป็นที่ต้านทานอาเลนะโตโดยไม่เป็นที่หลบลี้อสรณะณโตโดยไม่เป็นที่พึ่งอธีนวะโตโดยเป็นโทษร้ายอาคามูลโตโดยเป็นต้นเหตุแห่งความชั่วร้ายวัฒกะโตโดยเป็นฆาตกรสาสวะโตโดยมีอาสวะ มารามิสโตโดยเป็นเหยื่อล่อของมารชาติธรรมโตโดยความเกิดเป็นธรรมดาชราธรรมโตโดยมีความแก่เป็นธรรมดาพยาธิธรรมโตโดยมีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดามรณธรรมโตโดยมีความตายเป็นธรรมดาโสกธรรมโตโดยมีความโศกเป็นธรรมดา ปริเทวธรมรมโตโดยมีความกล้ามกลวนเป็นธรรมดาอุปายาสธรรมโตโดยมีความคับแค้นใจเป็นธรรมดาสังกิเลสิกธรมรมโตโดยมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาเห็นอยู่ซึ่งสังขารทั้งปวงโดยอสุภะคือความไม่งามโดยเป็นบริวารของทุกขลักษณะ ด้วยเหตุทั้งหลายเช่นเป็นต้นว่าอาชัตยะโตโดยเป็นของไม่งามทุกขันทตโตโดยมีกลิ่นเหม็นเจกุจชะโตโดยเป็นของน่าเกลียดปฏิกูละโตโดยเป็นของปฏิกูลอมันธนะโตโดยปรากฏชัดด้วยการไม่ตกแต่งวิรูปะโตโดยเป็นรูปพิการวิพัชชะโต โดยเป็นของควรสละทิ้งไปเห็นอยู่ซึ่งสังขารทั้งปวงโดยความเป็นอนัตตาด้วยเหตุทั้งหลายเป็นต้นว่าปารโตโดยเป็นอื่นริตะโตโดยเป็นของเปล่าตุจฉโตโดยเป็นของว่างสุญญตโตโดยเป็นของศูนย์อสสามิกโต โดยไม่มีเจ้าของอานิสรณาโตโดยไม่มีผู้เป็นใหญ่อาวาสวติโตโดยไม่เป็นไปในอำนาจของใครๆโยคีท่านนี้ผู้เห็นอยู่ด้วยประการดังกล่าวมานี้แหละเป็นอันเรียกได้ว่ายกขึ้นสู่พระไตรลักษณ์กำหนดรู้สังขารทั้งหลายอยู่ อุปมาด้วยบุรุษจับปลาถามว่าแต่โยคาวจรผู้นี้กำหนดรู้สังขารทั้งหลายเหล่านี้อยู่อย่างนั้นเพื่ออะไรตอบว่าเพื่อให้บรรลุถึงอุบายแห่งการพ้นไปจากสังขารทั้งหลายในการบรรลุอุบายแห่งการพ้นไปนั้นมีอุปมาดังต่อไปนี้ สมมุติว่าบุรุษผู้หนึ่งคิดจะจับปลาควาเอาสุมจับปลาไปสุ่มลงในน้ำบุรุษผู้นั้นหย่อนมือลงไปทางปากสุ่มจับเอางูไว้ที่คอในใต้น้ำก็ดีใจว่าข้าจับปลาได้แล้วเขานึกอยู่ว่าข้าได้ปลาตัวใหญ่จริงๆจึงยกขึ้นมาดูพอเห็นสวัสติกะคือดอกจันทร์สามอัน ก็รู้ได้ว่าเป็นงูจึงกลัวเห็นโทษร้ายท้อใจในการจับงูไว้ปรารถนาเพื่อที่จะพ้นไปจึงทำอุบายเพื่อพ้นไปจากงูแกะปลดมือออกจากงูตั้งแต่ปลายหางแล้วยกแขนขึ้นแกว่งงูเหนือศีรษะสองถึงสมรอบทำให้งูเปลี้ยแล้วเหวี่ยงงูไปด้วยคำว่าไปเจ้า ง, งูร้ายแล้วรีบขึ้นขอบหนอง ยืนมองดูทางที่ตนมาโดยรำพึงอยู่ว่าเอาละ่ะเป็นอันว่าเรารอดพ้นจากปากของเจ้างูใหญ่มาได้แล้วในอุปมาณนั้นการเวลาที่โยคีแม้นี้ได้อัตภาพเกิดเป็นมนุษย์แล้วยินดีพอใจมาตั้งแต่แรกรู้ความนั้นเลยเปรียบเหมือนเวลาที่บุรุษผู้นั้นจับงูที่คอมันไว้แล้วดีใจว่าเป็นปลา การที่โยคีผู้นี้ทำการย่อยความเป็นก้อนของสังขารออกไปแล้วเห็นพระไตรลักษณ์ในสังขารทั้งหลายเปรียบความเหมือนการที่บุรุษผู้นั้นนำเอาหัวงูออกมาจากปากสุม่มแล้วเห็นสวัตติกะสามอันพญาตุปทานยานยานกำหนดรู้ในความปรากฏโดยความเป็นที่น่ากลัวของโยคีท่านนี้เปรียบเหมือนการที่บุรุษผู้นั้น กลัวงูอาทินวานุปัสนาญาณญาณกําหนดรู้โดยการเห็นหนึเนืองซึ่งโทษร้ายเปรียบเหมือนการเห็นโทษร้ายจากการจับงูนั้นนิพพิธานุปัสนาญาณญาณกําหนดรู้โดยการเห็นนึงเนือ ง, องด้วยความเบื่อหน่ายเปรียบความท้อใจในการจับงูไว้ มุนจิตตุกรรมยตายายญาณกำหนดรู้ด้วยความปรารถนาที่จะพ้นไปเปรียบเหมือนความมุ่งหมายที่จะพ้นงูการยกพระไตรลักษ์เข้าในสังขารทั้งหลายด้วยปฏิสังคานุปัสนาญาณเปรียบเหมือนการทำอุบายแห่งการพ้นไปจากงูความจริงบุรุษผู้นั้นแกว่งงูทำให้มันเปลี่ย ทำให้มันไม่สามารถวกมากัดได้แลปล่อยมันไปเป็นการปล่อยอย่างดีฉันใดโยคาวจรท่านนี้ก็ฉันนั้นเวียนกาหนดสังขารทั้งหลายด้วยการยกขึ้นสู่พระไตรลักษ์ทาให้ทุกพลภาพทําให้ถึงความไม่สามารถปรากฏโดยอาการเที่ยงเป็นสุขเป็นของงดงามและเป็นอัตตาได้อีกต่อไปชื่อว่าพ้นไปเป็นการพ้นไปอย่างดี เพราะฉะนั้นจึงกล่าวไว้ข้างต้นว่ากำหนดรู้อยู่อย่างนั้นเพื่อให้บรรลุถึงอุบายแห่งการพ้นไปเป็นอันว่าปฏิสังขา ย, ยานเกิดขึ้นแล้วแกโยคาวจรท่านนั้นด้วยการกำหนดเพียงเท่านี้ซึ่งเป็นยานที่ท่านกล่าวระบุถึงไว้ในปฏิสัมพิธามักว่าถามว่า เมื่อพระภิกษุมนาสิการโดยความไม่เทีย่ยงยานกำหนดรู้ทบทวนคือปฏิสังขายานอะไรเกิดขึ้นเมื่อมนาสิการโดยความเป็นทุกข์เมื่อมนาสิการโดยความเป็นอนัตตายานกำหนดรู้ทบทวนอะไรเกิดขึ้นตอบว่าเมื่อพระภิกษุมนาสิการโดยความไม่เทีย่ยงยานกำหนดทบทวนซึ่งนิมิตเกิดขึ้น เมื่อมนสิการโดยความเป็นทุกข์ยานกำหนดรู้ทบทวนความเป็นไปของสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นเมื่อมนสิการโดยความเป็นอนัตตายานกำหนดรู้ทบทวนทั้งนิมิตและความเป็นไปเกิดขึ้นดังนี้และคำว่ากำหนดรู้ทบทวนซึ่งนิมิตในพระบาลีนั้นหมายความว่า รู้นิมิตคือสังขารโดยอนิจจลักษณะว่าไม่ยั่งยืนเป็นไปชั่วคราวก็และเป็นความจริงว่ารู้ก่อนแล้วยานเกิดขึ้นภายหลังถึงกระนั้นท่านก็กล่าวอย่างนั้นด้วยโวหารดุดดังคำว่าอาศัยใจและธรรมอารมณ์มโนวิ ญ, ญญาณเกิดขึ้นดังนี้เป็นต้นอีกอย่างหนึ่ง ถึงทราบว่าท่านกล่าวไว้อย่างนั้นเพราะทำคำหน้าคือปฏิสังขาที่แปลว่ารู้ทบทวนและคำหลังอุปัชติที่แปลว่าเกิดขึ้นให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยเอกัตนนยถึงแม้ในอีกสองบทก็พึงทราบความหมายโดยในยะนี้ด้วยประการชนิด ปฏิสังคานุปัสสนาญาณ